อย่างตอนนี้หลายคนก็คงจะรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยขึ้นมาแล้วบางทีก็โดนยุงกัดนะความเจ็บก็แป๊บขึ้นมาเลยอันนี้แหละคือความหมายของข้อความที่ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วฟังดูนี่ก็ชีวิตนะมันก็ชวนให้ให้หดหูนะ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 จะปากแหว่งบางคนนี่ก็ลิ้นกุดนะมีบางรายนี่ลิ้นกุดไปถึง1ในสาแล้วทาไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเวลากัดฟันเนี่ยไอ้การกัดลิ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติคนเรานะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกเจ็บเนี่ยเราจะกัดไม่เต็มแรงแพอฟันนี่มันกระทบลิ้นเนี่ยเราก็เจ็บแล้วเราก็หยุดทันที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 เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนีจนทั้งลิ้นหายไปหนึ่งในสามมันไม่ใช่แค่ลิ้นนะเนื้อตัวก็มีแผลนะบางคนนี่ตามแข้งมีแผลใหญ่เลยแผลเป็นใหญ่เลยหรือบางทียังแผลไม่หายก็ยังมี <c oughs> เกิดจากการที่เวลาซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยเวลาแข้งมันไปถูกท่อไอเสียเนี่ยท่อไอเสียมันร้อนเนี่ยนะ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 มือมีแผลแขนมีแผลแทนที่จะระมัดระวังถนุถนอมก็ใช้มันใช้จับจับคอรมั่งหรือว่าจับเคียวเกี่ยวข้าวมั่งหรือว่าหิ้วน้ำมั่งมันก็ยิ่งเป็นหาบาดลึกเ พ, เพลินก็จ ะ, ะไม่ใช่แค่ลิ้นอย่างเดียวนะนิ้วก็จะค่อยๆกดไปด้วยบางทีแผลมีนิดหน่อยนะไม่รักษา ไม่หายยามาทาหนูก็มาแทะนะกลางคืนอาตมานี่ยังเคยโดนหนูแทะเลยนะแทะห้หูนอนอยู่นะไม่ได้กลางงงนะกลางคืนหนูก็มาแทะที่หูแต่ว่าเนื่องจากรู้สึกเจ็บก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็สะบัดนะไล่มันไปแต่คนที่ไม่สุกเจ็บเนี่ยนะโดนหนูกัดก็ปล่อยให้มันกัดไปเรื่อยๆจนเป็นแผล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 มันจะมีความเร็วเป็นพิเศษนะความเจ็บปวดจะมาเป็นสัญญาณเตือนนะพอเจอของร้อนถูกของแหลมเนี่ยเพียงแค่ปุ๊บเดียวนั่นแหละนะเราก็จะชักลิ้นชักชักมือออกมาชักนิ้วออกมาหรือดึงแขนออกมาเพื่อไม่ให้ถูกของร้อนเพื่อไม่ให้ถูกของแหลมนะเล่นงานมาไปกันนีนะ้ความเจ็บปวดจะมีประโยชน์นะมันช่วยทําให้เราเนี่ย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 จนเป็นจิตจนมีจิต ท, ที่อิสระเนี่ยก็ยากคนที่มีแต่ความสุขความสบายความสำเร็จเนี่ยจำนวนไม่น้อยนี่ก็เรียกเป็นคนไทยห่างไกลธรรมะพอมาเจอความทุกข์เข้านะบางจิตตั้งตัวไม่ทันนะแต่หลายคนเนี่ยได้ใส่ความทุกข์เนี่ยนะเป็นตัวผลักให้ข้อหาธรรมะ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 มันก็ระงับชั่วคราวแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าติดมอร์ฟีนกว่าจะรักษาให้หายจากมอร์ฟีนให้ยึดให้เลิกมอร์ฟีนได้นนามชีวิตนี้ก็ดูเหมือนจะหมดหวังและไอ้ไมเกรนเนี่ยแต่บังเอิญก็มีคนแนะนําว่าลองไปทําสมาธิสิางานที่พมา่านี่ก็มีครูบาอาจารย์ด้านสมาธิหลายคนที่เป็นคารวาสก็มีชื่ออยู่อย่างเช่นธนูบาคิน นเป็นข้าราชการชั้นสูงแต่ว่าสนใจสมาธิภาวนาอาจารย์โกเ้าก็ไม่สนใจแนะไม่ศรัทธาเรื่องสมาธิแต่ว่าไม่มีทางไปแล้วก็เลยอลองไปนั่งสมาธิดูประมาณสิบวันนะคอร์สหนึ่งประมาณสิบวันช่วงสองสามวันแรกนี่ก็ทรมานมาก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 แล้วก็ยาไปถึงยุโรปหลายประเทศในยุโรปอันนี้เรียกว่ า, าเป็นเพราะไมเกรนแท้ๆนะทำให้ท่านอาจารย์กวังกล้าในหันมาสนใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะและพบความสุขท่านท่านถึงก็บอกเลย ว, ว่าตอนที่เป็นนักธุรกิจแม้ประสบความสำเร็จเนี่ยแต่ว่าไม่มีความสงบใจเลย แต่ว่าพอเลิกจากธุรกิจมาปฏิบัติธรรมนี่ได้ค้นพบความสุขที่ประเสริฐยิ่งไม่ใช่แต่คาราวานนะพระบางรูปนี้ท่านมาพบธรรมะจริงๆนี่ก็ตอนที่เจ็บป่วยนะอันนี้ก็แปลกอย่างสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสเนี่ยนะท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะเป็นซึ่งสังคายกนะสมัยก่อนมีตำแหน่งสังคายกนะก็คือเหมืองกับ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 สายอาจารย์มั่นหรือสายวัดป่าเนี่ยมาเข้ามาอยู่ในเขตปกครองท่านนี้ท่านจะไม่พอใจมากมีชื่งท่เป็นเจ้าคณะมณฑลอีสานสมัยก่อนนี่มนเราปกครองแบบมณฑลนะสมัยการที่5้าถ้าการที่หเจ็ดเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะมณฑลอีสานได้ได้ข่าวว่ามีพระลูกศิษย์ของหลวงหลวงปุ่สิงห์ขันธยาคโมหลวงปุศนี่ท่านก็เป็น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 อาจารย์ฝัายนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอาจารย์ฝ้ายก็ถ้ามีความรู้นัตสมาธิแล้วก็สมุนไพรก็ให้แนะนําเรื่องสมุนไพรแล้วก็เติมสมาธิเข้าไปด้วยให้ท่านปฏิบัติแล้วบกว่าอาการดีขึ้นจนกระทั่งเป็นปกติเลยนะให้ความปวดความปวดผัวความเครียดนี่ก็หายไปท่านถึงค่อยประจักษ์แจ้งในสมาธิภาวนา ถึงออกปากว่าตลอดชีวิตของเราเนี่ไม่เคยคิดเลยว่าสมาธิภาวนามันจะมีประโยชน์ถึงเพียงนี้นะอันนี้พระผู้เด็งนะทั้งที่ท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่แล้วท่านหานมาสนใจสมาธิภาวนาก็ต่อเมื่อป่วยนะยาแผนใหม่รักษาไม่หายาพอมาทําสมาธิเขาก็เลยศรัทธาในเรื่องของการปฏิบัติธรรม แล้วก็เกิดความค า, า, ารพศรัทธาในาจันมั่นเพราะเห็นว่าขนาดลูปศิษย์นี่ยังเก่งขนาดนี้ครูบาอาจารย์นี่จะขนาดไหนให้ความเจ็ป่วยมันสามารถที่จะผลักให้เราเนี่ยเข้าหาธรรมหลายคนเป็นมะเร็งนะไม่รู้เนาะว่าจะเป็นตายแลดียังไงการแพทย์แผนใหม่ก็ไม่น่าไว้วางใจไม่สามารถจะเป็นหลักประกันได้ 100%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 จริงถ้าทำให้เป็นมะเร็งนี่ก็คงจะไม่ได้เจอธรรมะเลยนอกจากความเจ็บป่วยและความพัดพลาดนี่ก็เป็นตัวผลักชั้นดีเลยนะผลักให้เขาหาธรรมะได้ในัาวพุทธการก็มีตัวอย่างเยอะมากเลยนะนะตัวอย่างนึ่งที่น่าสนใจก็คือสัน ต, ติอัมมานะสันติตตอัมมานี่ก็เป็นอัมมานคนสนิทของพระเจ้าประสิ์ที่โกรน มร น, นี้ก็พูดถึงพระเจ้าเริโกศไปครั้งหนึ่งแล้วสันติธรรมารนี่นะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของพระเจ้าเปริโกสนมากทำความดีความชอบถึงกับมอบราชบัลลังก์ให้ปกครอง7วันนะมีนะให้เป็นกษัตริย์อยู่7วันนะเพื่อตอบแทนความดีความชอบสันติธร ม, มารก็ดีใจนะ เลยก็เลยเสพสุขเลี้ยงฉลองกันเป็นการใหญ่ไอ้เจวันเนี่ยไม่ได้วาราชกา ร, ะรนะเลนะเลี้ยงฉลองเพราะว่าลามาถึงตัวแล้วนะก็เสพสุรายาเมานะเลี้ยงกันอย่างอินนําสําราญและที่สําคัญก็มีก็คือมีการาให้นางฟ้อนรํามาฟ้อนให้ดูตลอดเจดวันนะโดยเพราะมีนาง มีหญิงคนหนึ่งนะเป็นที่โปรดปรานมากก็ให้ฟอ้อนล้ำเนี่ยเชา้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นก็มีเรื่องราวาพอวันที่7จ็เนี่ยวันสุดท้ายของการที่จะได้คลองล่านะพระเมมกกน้ํานออกเมืงสมัยก่อนนี่นิยมส่งน้ำกันในศาลนะก็ไปพบพระพุทธเจ้ากําลังเดินผ่านมาก็ไหว้สักการะพระพุทธเจ้าอย่างนอบน้อม แต่ก็ไม่ไสนทนาอะไรกันสันติธรมัเสร็จแล้วก็ไปฉลองต่อไปดูนางสนมไปดูนางกำนันฟอ้อนปรากว่าหญิงคนโปรนี่ฟอ้อนมาเจ็ดวันเจ็ดคืนหมดสภาพเป็นลมล้มตายต่อหน้าตอนสัเติธาารรมัดนี่ตกทั้งตกใจแล้วก็เสียใจนะว่า คนโปรดได้ตายจากไปตอนหน้าต่าตาแล้วก็รู้สึกผิดทดี่ว่าตัวเองมีส่วนนาให้นางตายหายเมาเลยนะความเมานี่หายไปแล้วก็เศร้าโศกเสี ย, ยใจมากไม่รู้ว่าจะมีใครช่วยบรรเทาความเศร้าโศกเสี ย, ยใจได้ก็เลยนึกถึงพระเจ้าซึ่งพบกันเมื่อเช้าก็เลยเข้าไปในเชวัเข้าไปที่เชตวันก็ไปกราบทูลว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์ก็แสดงธรรมนะ แสงทำให้ปล่อยวางปล่อยวางเรื่องอดีตนะอย่าไปกังวลถึงอ น, นาคตแล้วก็ตัดว่าเนี่ยถ้าหากว่าไม่ยึดติดถือมันในปัจจุบันจิตก็จะสงบนะเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเป็นสุขพอผู้เจ้าัดจบท่านี้แหละสันตติอามานี่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ทันทีเลยเนยเป็นพระอาหารหันต์ทั้งที่เมื่อสักครู่นี่ ยังเมามายู่เลยแต่ว่าที่ไปรธรทำเพราะอะไรเพราะว่าได้เจอความเศร้าได้เจอความพัดพราดนะได้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นนะสิ่งที่พระเจ้าสอนคืออย่าไปยึดมั่นในขันท่าอย่าไปยึดมั่นในรูปใบทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองความทุกข์ที่สันตติอรหมาตได้ประสบด้วยตัวเองนะเมื่อ สักครู่นี่นะมันทำให้เห็นธรรมะของพระองค์อย่างจำแจ้งเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางทันทีนะจิตก็หลุดพ้นเป็นผารหันเป็นระารหัน ท, ท, ทั้งที่ยั ง, งไม่ได้บวชนะแล้ก็ ท, ทั้งทั้งที่เพิ่งกินเหล้ามาไมายมาแต่ว่าที่ท่านบรรลุทำได้เพราะว่าได้เจอความพัดพลาดเจอความพัดพลาดสูญเสีย ความพัดพลาดสูญเสียคนรังนี่มันเป็นพลังนะในง่านึงก็เป็นข้อกรรมแต่ในง่นึงมันก็ผลักดันให้คนเนี่ยเข้าหาธรรมะได้อาตมาได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะเมื่อ 4-5 หปีก่อ น, นันเธอมีลู ก, ลกชายอายุนะมาขอขอลาแม่ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย 15ก็ยังเด็กนะแต่แม่ก็เห็นว่าลูกชายเป็นคนที่รับผิดชอบถ้าไปอินเดียก็น่าจะดีนะเพราะอินเดียนี่ก็ได้ไปเรียนภาษาด้วยแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นเมืองเต็มอุ ด, ดมไปได้วยวัฒนธรรมก็อนีญาให้ลูกไปปรากว่าลูกไปได้ไม่กี่เดือนก็เกิดอุบัติเหตุจมน้าตายแม่นี่ พอทีิงขวนี้ก็เรียกว่าแทบจะเสียสูญเลยนะเพราะว่านอกจากจะเสียใจที่ลูกตายแล้วก็ยังรู้สึกผิดด้วยเธอก็โทษ ต, ตัวเองนะว่าเป็นเหตุหรือมีส่วนทําให้ลูกตายเพราะถ้าเธอไม่อ น, นุ่นให้ลูกไปลูกก็ไม่ไปตายที่นั่นก็ได้แต่โทษตัวเองเนี<ๆ>่ยฉันไม่น่าเลยนะไม่น่าอนุญาตให้ลูกไปเลย ความสุขปนี้มันกัดกินใจมากหนึจนเรียกว่าแทบไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยตอนหลังก็มีเพื่อนแนะนําว่าเนี่ยเห็นอาการณของเธอแล้วก็แนะนําว่าไปปฏิบัติธรรมดีกว่าเธอก็ไม่มีศรัทธานะแต่ว่ามันไม่มีทางออกไม่มีทางไปแล้วก็เลยลองไปปฏิบัติธรรมพอได้ศึกษาธรรมก็เริ่มตระหนักเลยว่าเออ คนเรานี่ชีวิตมัไม่แน่นอนนะความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิตบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นทั้งหมดนี้ก็รู้แล้วแต่เป็นโปรแกรมของตัวนะเมื่อได้เห็นความจริงแบบนี้ก็เริ่มทําใจคลายความเศร้าโศกการเจรการทีใช้ปฏิบัติทําได้เจริญสติก็ทําให้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 และประกว่าช่วงนี้จิตใจสงบกว่าเดิมเป็นสุขกว่าเดิมสุขกว่าตอนที่ยังไม่สูญเสียลูกซีอ่ะเธอถึงก็ออกปากว่าขอบคุณนะขอบคุณลูกนะที่ทำให้แม่ได้มาพบธรรมะลูกไม่ได้ช่วยทาให้แม่พบธรรมะตอนที่ลูกมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าความตายของลูกเนี่ยที่ทำให้แม่ได้มาพบธรรม ะ, ะเธอถึงก็พูดว่าความตายของลูกเนี่ยคุ้มค่า แม่น้อยคนนะที่จะบอกว่าความตายของลูกนี่คุ้มค่าเพราะวาความตายของลูกนี่ยิ่งใหญ่เสมอแต่ว่ามันคุ้มค่าในแง่ที่ว่าทำให้แม่ได้มาพบกับชีวิตอันประเสริฐนะไม่ใช่เป็นการตายที่ศูนย์เปล่าบ่อยครั้งเราปล่อยให้คนรักของเราตายไปอย่างศูนย์เปล่าโดยที่เราไม่ได้อะไรจากความตายของคนรักเลยอาจจะได้ก็ได้แค่ทรัพย์สมบัติมรดกนะ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 เร็วลายดํามืดแต่เป็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยทุกนี่แหละอเลสสัตว์อีก3ข้อเนี่ยเราจะเข้าถึงไม่ได้เลยนะถ้าหากว่าไม่เจอทุกแล้วก็ไม่ผ่านทุกจะเรียกว่าทุกเนี่ยเป็นประตูสู่ธรรมะที่ลึกซึ้งก็ได้เราจะเข้าใจสมุทยัยเราจะเข้าถึงนิโรธแล้วเราจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าในองค์ มกเนี่ยก็เพราะเราเจอทุกก่อนถ้าไม่เจอทุกเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะไปถึงสมุทัยนิโรธมากได้แต่บางคนเจอทุกแล้วก็ติดตันอยู่แค่ทุกนะไม่ผ่า น, ไ ม, านไม่ผ่านไปเจออริยสัจอีก3าข้อหลังแต่ถ้าคนที่ฉลาดเนี่ยนะเมื่อเจอทุกแล้วเนี่ยเขาก็จะอศสยทุกเนี่ยเป็นตัวผลักให้ข้อหา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 ที่เราอยากจะหนีที่น่ารังเกียจน่าผักใสแต่ถ้าเรารู้จักมองไอ้ทุกข์นี้ก็จะกลายเป็นธรรมได้มีพระอรหันต์จำนวนไม่น้อยเลยนะที่ท่านบรรลุธรรมในขณะที่มีความทุกข์อย่างเช่นพะติสะเทระนี่ท่านเป็นโรคที่สังคมรังเกียจแหาผู้พองเต็มตัวน้าเหลืองไหล เยมิมส่งกลิ่นเหม็นจงกระทั่งพระเนี่ยดูแลรักษาไม่ไหวพากันหนีพระ เ, จ, เจ้าทรงทราบข่าวก็เลยเสด็จมาดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะเอาพาทีวอนที่เปื้อนน้ำเหลืองเปื่อนอุจจาะปัสสาวะเอาไปซักเอาไปต้มแล้วก็ตาก นะพอเช็ดน้เช็ดตัวทำความาสตอาดจีวรแล้วเนี่ยพระติศตท่างก็รู้สึกดีขึ้นแต่ความเจ็บปวดทุกขเวทนาก็ยังรุนแรงอยู่เพราะตอนนั้นท่างใกล้มรณภาพแล้วพระิจ้ราแสดงธรรมสั้นๆว่าเนี่ยร่างกายนี้ไม่เที่ยงนอ้อ อีกไม่นานเมื่อวิญญาณลาจากร่างไปก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้ท่านพิจารณาตามนะก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็บรุลุเรียกว่าหลุดพ้นในขณาที่จิตในขณะที่สิ้นลมพอดีเรียกว่าสิ้นทุกข์เพราะมันก็สิ้นลม อันนี้ต้องเรียกว่าเนี่ยถ้าท่านไม่เจ็บปวดลไม่เจ็บป่วยนะก็คงจะไม่เห็นทาอย่างลึกซึ้งจงกนกระทั่งเห็นโทษของสังขารแต่ความเจ็บป่วยทำให้ท่านเห็นโทษเราสังขารเป็นทุกข์มากยึดถือไม่ได้เลยพอเห็นความจริงแบบนี้เข้าเนี่ยจิตก็ปล่อยเลยนะพอปล่อยวางจิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุอรหัตผล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 เจ็บก็ดีความปวดก็ดีหรือความป่วยก็ดีเนี่ยนะมันเป็นธรรมะที่สอนให้เราเนี่ยเห็นธรรมชาติของสังขารนะจนกระทั่งรู้ว่าปล่อยมีแต่ปล่อยวางเท่านั้นแหละนะที่จะทให้พ้นจากทุกข์ได้พระพจน์ถึงบอกว่าทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่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 ถ้าถ้าถ้าตายไปในภาวะจิตเช่นนั้นนี่ก็เราไปอบายทันทีเลยแต่ถ้าเราหากรู้จักมองจนถ้าเเห็นธรรมที่มันแสงอยู่ในทุกนะจิตเราก็สามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้คือทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์นะอันนี้ทำได้นะแล้วเราจะเห็นได้อย่างไรนะก็ต้องเห็นได้ด้วยสติเป็นเบื้องต้น